ที่สถาบันพัฒนาการาชการฝ่ายตุลา ก, การสารยุติธรรมจากสังเกตอยู่เวลาให้ท่านบริกรรมพุโทโธเนี่ยพระจะบริการมพุโทโธพุธโทโธูุทโธพุธโทพธโธ ใ, ใจหวังตันหรือใครจะใช้อย่างอื่นตัวล่อก็เหมือนกันแต่เวลาพอท่านเลิกบริการมพุโทโธหรือเลิกที่มีอะไรเป็นตัวล่อ ถ้ากลับคือสู่คนเป็นปกปติเคยนิสัยเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเคยยุ่งวุ่นวายกับสิงใดก็ยุ่งวุ่นวายกับสิ่งนั้ น, า อ, นอาใจไปเกาะเกี่ยวยึดถือพวกพันคนนั้นคนนี้สิ่งนั้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นแต่เวลาพอเสร็จแล้วก็ มาบริการพูท้โทรหรือว่ามีสติรู้อยู่กับเครื่องรออใดๆแต่พอหมดเวลาที่มีสติรู้อยู่กับเครื่องร่ออยู่กับคำบริการพุ้โทหลายท่านก็จิตใจเขาไปขอเขียนเลือดถือยุ่งบุญวายตัวฟันกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันนั้นเฉพาะหน้านั้นต่อหน้าต่อตามันมีอยู่แต่นหน้าต่อตาคนนั้นเองแม้แต่ให้บริการพุ้โธไว้เสร็จแล้วก็ละละททรับจากผู้โธรปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวแล้วก็อปยู่งบุญวายกับคนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเจ้าตัวก็ไม่เห media media. ็นว่าตัวเองไงกำลังไปยุ่งวุ่นวายกับเขาไปช่วยเขาคิดไปคิดแทนเขาไปห่วงใยไปวิตกกังวลแทนเขาไ่ตลอดเวลาแล้วตัวเองก็ไม่เห็นไม่รู้นี่คือกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งถ้าเจ้ไม่เห็นไม่เห็นในขณะที่จิตมันไปยุ่วุ่นวายกับสิ่งใดภายนอกไปวิตกกังวลไปห่วงใยไปยุ่วุ่นวายแทนเขาภายนอกท่านก็จะไม่เห็นเวลาท่านไปยุ่งวุ่นวายกับอาการทางกายอาการทางใจ ยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดอยู่ภายในใจของท่านท่านก็จะไม่เห็นอีกและไม่รู้ตัวอีกตรงนี้ก็ไม่เห็นอีกเพราะท่านไม่เห็นตรงนี้ก็บรรทุกไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นใจจี่มนไปยุ่งุ่นวายเกาเกี่ยวยึตถือพวกกันอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในเราจะสิ้นลุกคือสิ้นใจที่ไปยุ่งวุ่นวายเกาะเกี่ยวจึตถือทต้องทั้นอกและภายในในขณะปัจจุบันนั้นแต่เวลาสิ้นมันสิ้นมันจะข้างในพอไม่ใจ่ว่สิ้นมันจากข้างนอกเวลาสิ้นการเกาอเกี่ยวยึตถือมันสิ้นมาจากการยุ่อวุ่นวายกับอาการใดๆ มันจะไปยุ่งขาดขออกมาจากข้างปากไปถึงข้างนอกด้วยถ้าขาดขออกมาจากข้างในมันก็ขาดจากข้างนอกด้วยแต่พฤติกรรมที่ทําอยู่เรากลับไม่รู้ว่าอันนั้นเน่ยมันคือยุ่งวุ่นวายก็มีคือปัญหามากเลยผมเห็นแต่ท่านไม่รู้นี่คือปัญหาถ้านกำลังยุ่วุ่นวายกับมันอยู่แต่ท่านไม่รู้นี่ก็เป็นกรณีหนึ่ง ที่เกิดขึ้นคือท่านมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเฉพาะที่ให้บริกรมรมพุทโธหรือมีสติรู้อยู่กับเครื่องล่อพอเลิกบริกรมรมพุทโธหรือเลิกเครื่องล่อแล้วก็คือกลับคืนสู่ความเป็นปกติไม่รู้ตัวอันนี้น้องแก้ไขอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าให้บริกรมรมพุทโธเนี่ยไม่เข้าใจก็คือว่าพุทโธไปเลยพุทโธพู้โธพุโทโธแล้วก็เห็น หรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังพูทโธอยู่แค่นั้นเองแล้วก็คิดอะไรก็ไม่เห็นมีอารมณ์อะไรมีอาการอะไรก็ไม่รู้ยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าตอนนี้บริการผู้โธตอนนี้ไมกไู้บริการพุทโธแล้วก็บริการผู้โธขึ้นมาตอนนี้บริการผู้โธตอนนี้ไม่ได้บริการผู้โธแล้วก็บริการผู้โธขึ้นมาคือรู้แต่ตัวเองว่าบริการพุ้โธกับไม่บริการพุทโธแต่ที่ตั้งความตั้งก็คือว่าไม่รู้เลยไม่บริการผู้โธก็ไม่รูููู้้้้บรรรรริกาผผโเปื่อไมตัว ผู้โตขาหายไปตัแต่เมื่อไรไม่รู้ตัวสติไม่มีสติไม่มีมมแล้วไม่เข้าใจว่าอะไรี่ให้บริกรารพุโทโธให้ทำทำไมบริกรารพุโทโธก็คือว่าต้องการโซ ส, สติพุโทโธเนี่ยทาบริกรารพุโทโตเป็นเพียงเหยื่อตกปลาทาบริกรารพุโทโธเป็นเพียงเหยื่อที่เอาไปล่อปลาไปตกปลาแต่บางคนพยายามจับยึดมั่นที่ตัวความบริกรารพุโทโธหรือยึดมั่นเอาตัวเครื่องล่อสิ่งวิงในใดที่ใช้อยู่เลย แต่ความจริงเครื่องล่อทั้งหมดเขาก็ชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเครื่องลอ่อเอาไปล่ออะไรล่อสติล่อผู้รู้เกิดขึ้นมามารู้นอะไรก็มารู้เครื่องล่อ น, นั้นรู้คาําบริกำพุทโธนั้นหรือรู้เครื่องล่ออื่นให่ที่ท่านใช้อยู่เช่นลมหายใจเข้าออกต้องการเครื่องล่อนั้น่ะมาล่อตัวสติหรือผู้รู้ที่ท่านกล่าวว่าความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติอยู่ไหนความรู้อยู่ที่นั่น แทบจะเรียกว่าสติกับผู้รู้หรือความรู้เป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเมื่อไหร่มีความรู้ก็มีสติเมื่อไหร่มีสติก็มีความรู้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาต้องการเอาเครื่องรออมาลออสติหรือลออผู้รู้หรือลออความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไปจับเอาตัวนั้นเลยว่ามีความรู้สึกจำเียนว่าตอนนี้บริกรรมพุทโธอยู่ตอนนี้ไม่ได้บริกรรมแล้วแล้รีบริกรรมกับว่าพุทโธพุทโธพุโธแล้วสมาพุทโธหายไปรีบกลับมาเอาพุทโธพุทโธเอาตัวเหยื่อ แต่ไได้เอาตสติทีนี้ถ้าทำบริกรรมพุทโธมันหายไปแล้วท่านก็รู้ว่าคำบริกรรมพุทโธมันหายไปจิตมันไปคิดถึงสิ่งใดท่านก็รู้ว่าตอนเนี้คาบริกรรมพุทโธหายไปแต่มันมีความคิดอื่นที่ไม่ใช่ความคิดพุทโธท่านก็รู้ว่าตอนเนี้จิตหรือใจเนี่ยมันคิดอย่างอื่นที่ไม่ได้คิดพุทโธแล้วท่านก็รู้ว่าตอนเนี้จ nice. ิตไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่ไปคิดอย่างอื่นแล้ะท่านรู้อยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยแสดงว่า ท่านปฏิบัติเป็นคือได้สติได้ตัวผู้รู้ได้ความรู้พุโทโธเนี่ยขาดเป็นช่วงๆแต่สติไม่ขาดถ้าเกิดพุโทโธหายแล้วถ้ากระล้วพุโทโตหายแล้วไปคิดอย่างอื่นแล้วก็ากรู้ทัานคิดอย่างอื่นอยู่อย่างเนี้ยแสดงว่าสติของท่านไม่ขาดต้องการปฏิบัติและต้องการตัวสติแต่เราให้ให้บริการพุโทโธเพื่อจะเอาพุโทโธเนี่ยมาล่อตัวสติหรือล่อผู้รู้ให้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้อยู่อย่างนั้น ดังนั้นเวลาพอท่านไม่ได้บริการพุทโธไม่คิดอย่างอื่นท่านก็รู้าไม่คิดอย่างอื่นเพราะขณะนั้นมันไม่ได้คิดอะไรเลยใจมันว่างอยู่แล้วก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ใจมันว่างอยู่ถ้าท่านมีความรู้ตัวอย่างนี้ตอนเรื่องกันตลอเวลาไม่ขาดสายคือเวลาคิดพุทโธก็รู้คิดพุทโธไม่ได้คิดพุทโธก็รู้ว่าไม่คิดพุทโธเวลาใจมันว่างอยู่ไม่ได้คิดอะไรก็รู้ว่าใจว่างอยู่ใจมีปัญหาอะไรก็รู้วใจมีปัญหาใจอยู่แล้วท่ารู้อยู่ที่เฉยจริงๆไม่กดไม่ข่มไม่หนีไม่ดิ้นลนผักใส รู้อยู่กับที่จริงๆรู้อยู่เฉยๆจริงๆถ้าก็จะเจพราะผู้รู้แล้วรู้อยู่อย่างนั้นแหละอย่างเนี้ยถ้าก็จะเป็นมีผู้รู้หรือมีสติตสําว่าชันญางสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ต่อนเนื่องไม่ขาดสายตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอาคำํำปริกำคุยโทรศอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเอาสติผู้รู้มารู้อย่างต่อนเนื่องไม่ขาดสายสติสติตัวผู้รู้แล้วก็รู้มันอยู่เนี่ยไม่กดไม่ค่มไม่หนี ไ ม, ไม่ไี่ลวนผักใสแล้วก็ไม่เผลอเพลินใจติดไปกรณีที่ท่านไม่รู้ว่าใจของท่าน้นแต่ละขณะมันเป็นอย่างไรคิดอะไรก็ไม่รู้มีอารมณ์อะไรก็ไม่รู้มีอาการใดก็ไม่รู้กรณีไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าโมหะเป็นโมหะเพราะว่าจิตใจของตัวเองแต่ละขณะเป็นอย่างไรไม่รู้ตัวอย่างนี้เรียกว่าโมหะ คือความไม่รู้เลยคือความหลงแต่ถ้ารู้แล้วรู้แล้วตามใจรู้แล้วตามใจคือเกิดความอยากได้อยากเอาอยากได้อยากเป็นมีความอยากมีความพึงพอใจสิ่งใดก็ตามใจสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าความโลภหรือลาภหรือกามฉันทะ แต่ไม่ได้เป็นโมหะพราะรู้แล้วแต่ม right? ันก็คือหลงรวมอยู่ในนั <h <h ้นเนี่ยมันหลงรวมอยู่ในความโลภนั่นเองเพราะมีความหลงอยู่ในนั้นเลยเป็นราคะเป็นการมจัญทร์ะเป็นความโลภเพราะเลยกลายเป็นทั้งโมหะแล้วก็เป็นทั้นความหลงอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นทั้งราคะหรือเป็นความโลภแล้วก็เป็นการมาจันทร์พระอยู่ในนั้นหรือกรณีอีกกรณีหนึ่งคือท่านรู้ รู้ว่าท่านกำลังมีความไม่พอใจสิ่งใดไม่พอใจสิ่งใดภายนอกไม่พอใจสิ่งใดภายในใจของท่านท่านรู้อย่างนี้ก็ผ่านขั้นตอนของการไม่รู้ไปแล้วรู้ก็คือไม่เป็นโมหะแต่รู้แล้วท่านก็ตามใจอีกปล่อยให้มันดิ้นรนผักไสดิ้นรนผักไส่ขู่ขก็ขับคู่ขูก็ขับขูคุก็ขับหรืออยากจะจะมีกิเตียนวิภาควิจารณาว่าเขาอิจาริสยาเขาถ้าก็ปล่อยให้ตามใจของท่าน ปล่อยไปให้เป็นประการใจตัวเองอย่างนี้เรียกว่ารู้แล้วก็เป็นโทมดจับพยาบาลก็ไม่สามารถต้นจับทุกได้ดังนั้นต้องรู้แล้วแล้วก็ไม่ตามใจทั้งที่พอใจและไม่พอใจเราห้ามความพอใจห้ามความไม่พอใจไม่ได้ แต่เมื่อเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจก็รู้อยู่ตรงที่ความพอใจรู้อยู่ตรงที่ความไม่พอใจรู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่เฉยๆไม่กดไม่ข่มไม่หนีไม่ต่อสู้และก็ไม่สามใจจบที่รู้ถ้าไม่สามใจมันจะจบที่รู้เรื่อยไปรู้สักแต่ว่ารู้เรื่อยไปขออย่าให้สามใจเราอย่าไปสะกนว่าจะต้องไม่ คิดอย่างนี้จะต้องไม่มีอารมณ์อย่างนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านจะกดข่มบังคับตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะทนจากทุกได้แล้วก็รู้สักแต่ว่ารู้ไว้ทีนี้ถ้าท่านไม่มีเครื่องร่อไว้ท่านก็รู้สเปสสป่าหมดคือบางทีไม่รู้เลยยิ่งให้ท่ารู้อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งรู้ลงใหมนใจก็ออกหรือรู้คำบริกรรมพุโทโธหรือรู้อะไรก็ได้ที่ท่านถ น, นัด แล้วก็รู้ไว้อย่างนั้นแล้วท่านก็จะรู้อย่างอื่นด้วยฝึกให้รู้ไว้อย่างนี้รู้รู้รู้ไว้รู้วันนี้เนี่ยมีความหมายมากมีประโยชน์มากพราะรู้ตัวนี้ผู้ใดพบผู้รู้ผู้นั้นพบธรรมท่านก็รู้ไว้อย่างนั้นรู้แล้วไม่ตามใจทั้งที่พอใจและไม่พอใจมันจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจท่านก็รู้ไว้อย่าตามใจมันก็จะจบที่รู้แล้วก็จะรู้สักแต่ว่ารู้เรื่อยไป รู้สักแต่ว่ารู้ตอนนี้เ้าที่ผมเห็นก็คือว่ากอณีเราไม่ต้องพูดถึงว่าตามใจไปถึงสิ่งใดภายนอกเรามาถึงมาพูดกับถึงเรื่องของพวกฝุกนผของพวกเรากรณีที่ท่านเกิดอาการ ใ, ใดๆแล้วแล้วถ้ารู้ว่าท่านกาลังเกิดอาการใดๆขึ้ในภายในกายภายในใจของท่านบอกให้รู้สักแต่ว่ารู้อย่าตามใจอย่าที่ลนผักใจให้รู้ไว้อดทนไว้อดทนอดกลั้นไว้ ที่ท่านสนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ใดไม่มีขันติไม่มีความบวทวนอดการพ้นจากทุกข์ไม่ได้ท่านก็รู้จัจธรรมรู้ไว้อย่าผลอย่าตีโพธตีพายอย่าโวยวายรู้สัจธรรมรู้ไวให้มันคงจะเกิดอะไรขึ้นให้รู้สัจแต่มรู้แต่เดี๋ยวแล้วท่านก็ไม่รู้สัจแต่มรู้ท่านบอกว่าากรณีนี้ฝึกรู้สัจธรรรู้แต่รู้สัจแต่มรู้ของท่านท่านดิ้นหล่นขูกขูกขักขูกขักดิ้นหนแก้ไขมนตลอดเวลา ทำไมอาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างโู้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้มมนนอีกตรงนี้เนี่ยท่าไม่รู้สักแต่ว่ารู้พราเริ่มท่านเขาเริ่มทำไมถามตัวท่านเองถามในใจถามผมนิสสัตไม่รู้สักแต่ว่ารูุแล้วมันเกิด อ, อะไรขึ้นอดทนอดทนอดกั้นลมใจอย่าไป หาเหตุหาผลว่ามันคืออะไรแล้วที่หล่นแก้ไขขุกขักกูกขั ก, ก, ขกพยายามปักใส่ให้อาการเราเนื้อหายไปไม่งั้นจะกระจบไม่ได้มันจบที่รู้ไม่ได้แต่มันกจบที่ตามใจถ้าต้องกจบที่รู้ให้ได้ถูกจบที่รู้ไม่ได้รู้สับต่มันรู้ไม่ได้มันจะเกิดอาการอะไรขึ้นมันจะถล่มทลายร่างกายจะแตกดับทำลายอะไรก็ตามรู้สัแต่มันรู้ไว้ให้มันคงอย่าบ่นอย่าวอยไวอย่าหนีอย่าขัดใส่ รู้สักจะว่ารู้ไว้ใจอย่าอย่าหยุดอย่าหงุดหงิดลำคาที่หล่นับใส่ลุก ไ, orous, osa, ไปทําอะไรได้ง่วงลุกไปกินกาแฟได้ลุกไปอาบน้ําเย็นได้มีปัญญาที่จะแก้ไขได้แต่ใจอย่าหงุดหงิดลำคาอย่าโวยวายที่โหยที่าอย่าที่หล่นผับใส่ถ้าอย่างนี้บรรทุกไม่ได้ร้อนหน่อยปวดหนาวหน่อยปวดมีอาการมีอาการกายบวดมีอาการทางใจหน่อยปวดบรรทุกไม่ได้ทิ่นี่หน่อยบวดมากๆมาปวดปุ่มทำบุญไปหมดในใจ ดิ้นรนกุบขับกุบขับกุบขัรู้ปล่อยวางรู้ปล่อยวางว่างเปล่ารู้ปล่อยวางว่างเปล่ารู้อยู่เฉยๆสับแต่วันรู้เนี่ยรู้ไว้เฉยแล้ว ท, ท, ท, ท, ทุกอย่างมันจบเองข้าคอยท่านรู้ว่าเฉยๆทุกอย่างมันจบเองมันเปลี่ยนแปลงไปของมันเองท่านอย่าไปทําอะไรไอยิ่งท่านไปหาทางมันเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายอย่างเลยตรงเนี้ยขอให้รู้ไว้แล้วก็มีเครื่องร่อไว้ มีเครื่องลอ่อไว้อ่านถ้าคนไหนไม่ต้องอาศัยเครื่องลอ่อสา ม, มารถรู้สับแต่ละรู้รู้สับแต่ละรู้ได้ทุกอา ra, ก, อ ก, อการทุกความคิดทุกอารมณ์ทำตึงเมื่อที่รู้นั่นหลยตึงเมื่อที่รู้แล้วก็ไม่ตามใจท่องที่พอใจแล้วไม่พอใจรู้อยู่กับที่อย่าอยากให้มันเป็นไปอย่างไรที่หลวงปู่ชางว่าอย่าอยากอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากได้อย่าอยากเป็นรู้อยู่เฉย ท่านว่าพระพุทธเจ้า พ, พระอาหารหันต์ทั้งหลายวางความอยากนี้เสียแล้วอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากได้อยากเป็นเพราะเป็นทางตกลงข้ามกับพระนิพพานวางแล้วก็รู้อยู่กับที่จริงๆรู้อยู่กับเฉยจริงๆสิ่ ง, งที่ถูกรู้ย่อมเคลื่อนไหวย่อมเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดดับย่อมไม่เที่ยง เพื่อรู้นั้นรู้อยู่กับที่จริงๆไม่เคลื่อนไหวตามไปให้รู้อยู่อย่างนั้นมีผู้ใดของสฟไหมผมจะให้ท่านโซลคงเช่ขยายความให้ชัดเจนขึ้นที่ท่านอากให้พุโทโธนะครับผมผมเข้าใจว่าเรื่องเรื่องมาจากว่า คน้ที่ฝึกิแล้วยังไม่มีหลักของใจเวลามีอะไรมาพบทําตาหูจมูกนิ้วไปหรือคิดขึ้นมาหรือยุบ ข, ข, ขึ้นมาทารองนี่มันจะไปเลยมันจะเป็นสิงนั้นไปเลย เ, ลยเหน็นก็ถูกดูเข้าไปจากจุดที่หมองซ่องไม่ชอบได้ยิคิดได้ถึง น, นะครับคิดก็ไปทีนี้ในเมื่อมันไปอย่างนันแล้วเนี่ย เ็ต้องหาวิธีทีจาริหลักมาผูกอะไรหนึ่งผูกไว้ก่อนก่อนที่มาเกิดการวางก็คือพุทโธที่อาจารย์แน้นำคือพุทโธพุทโธนี้บอกเขาใจว่ามันแค่ทุทโธพุทโธพุทโที่เราเรมขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเราุปขึ้นมานะครับมันก็อยู่ในในจิตมันเกิดจากกระดูกใจทีนี้พอราพุโทนี้ตังนี้ขึ้นมาอย่ที่กระดูกใจแล้วขณะต่อไปมก็จะดี ภาเข้ามาตาตาหูชั่อโมงยุ่งกายในใจเราในใจเราเองมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นเรก็จะหดจะพุดโธแันไม่รารู้ความจรนั้นพอเรารรู้คลาิงน้นดว่าตาหูชั่วโมงยุกแต่เราตุกเข้าไปต่อไปแล้วเราเริ่มจะกลับมาพุทอีกนี่คือวิีพิสูกคือไม่ได้ว่ามัดแน่นพุทโธเรื่ไม่กดิกกระเดียราไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นความแท้ที่ผิดพุทโธไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องพุทโธแล้วไม่กรดิเลย มันต้องเกิดนะเพรกะตราะา้ขึ้นมามันก็มันเที่ยงอยแล้วแต่ถ้าในพุทโธอย่างเงี้ยในพุทโธอยู่ท่านนั่งผีเฉยท่านเ็นแดงก็ต้องไปายการศึกษาแล้ก็รู้เอาไปทำการตุกฆ่ากระพุทุทโธสิ่งน้นเราก็ไปทางหูทางจมูกทางตาหรือทางใจปกติก็ทางใจนะในพุทโธเนี่ยเราะวคิดทิ้งรู้ทีน่ะก็รู้รู้แล้วไปทิ้งรู้ทีแล้วตอนพุทโธให้มันให้มันรุ้มนวนให้มันแบบไม่ไม่ได้ไปให้เกี่ยกับการ ที่ว่าจะต้องพูดโผลไม่มาไหนได้เลยไม่เห็นไปไหนมันจะไม่มันจะไม่ถูกนะครับเขาดูว่าไปก็กลับมาไปต้องกลับมาก็จะเห็นว่าเห็นว่าเขาไปลงเข้ามาไปเข้ามาอี้นะครับแต่ที่ที um <It> ่อาจารย์ดูแล้วว่าที่ทุกที่เขาคาดการณ์ก็คือว่าไปแล้วไม่รู้เลยคือจถ้าพูดโผลไปก็คือไปกลับสิ่งที่มาส่งผ่านตาหรือสมุนไพรจะเกิดเขาไปแล้วสุดขั้นตอนมี่ขาดไปเพราะการมาพูดโผล่ไป การจตองพูดตอไปเพิ่มนะครับพู้ต่หือพูดต่แล้วพูดต่กแตู่ดต่อเพื่อเพื่อให้เห็นว่ามันจะต้องไปทารโน้ทางนี้เรากข้งนี้แล้วก็ตามมาที่หลังนะครับพท่านตัวเองนี้ไปเรื่อยแล้วพูดต่อทไปทางโน้นทางนี้ไปโน้นทางนี้แล้วแล้วอีกห่อยท่านกจะรู้ว่าเดี๋ยวก็ดูกับผู้โ่อเดี๋ยวก็ไปทางตาหูสมองอีกแต่แต่สิ่งที่มันมีตลอดเวลาคือความรู้ความรู้ที่ว่ามันไปเกิด ทางทางการพุทโตทางตาทางจมูกทางความคิดที่สก right? ้างขึ้นมาเนี่ยถ้าจะมีตัวที่รู้อีกตลอดเวลาตัวนี้พอถึงพอตัวนี่มันเกิดขึ้นมาสร้างเหตุที่ตลอดเนี่ยพุทโธนีก็ไม่ต้องอันนี้ท่านเราจะรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาที่อารยบอกให้ให้รู้ยืนรู้ยืนอยากที่จะรู้อีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตรงนี้ต้องต้องเข้าใจกันนี้ก่อนอาจารย์ที่บอยว่าจะจะให้ยุ่งไม่ได้ไม่ตัดส่วนแล้วทำไมพุทโธหาย แล้วก็เครื่องเคลียลอนแบบนี้ทำไมปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่แต่ขอให้มีความรู้จะเรียกว่าคู้รู้หรือเล่ารู้อะไรรู้สำนั้นเมนจะไปจมาตมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเยียงขั้นสายที่มีหลักไม่มีหลักของใจปไปเลยนา่ไนเป็นชั่วโมงเป็นวันทุบเอาไปพุดโซนเข้าพุชโซรพุชโซนโดไม่เข้าใจพูดโ ซ, ดโซโด น, นโซไปทำไมนะครับถต้อง ต้องปรับขอามเข้าใจที่เห็นก็ถ้าทาไมเข้าแจนะก็โอเคแนตะ่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองกลับมา่านกันว่าทำไม ต, ต, ตัวโตไปทำไมตัวโตที่มันแค่ดูทำได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผมไม่ได้แต่ว่าถ้าโยงหายใจมันแบบนี้บางทีมันขึ้นหมดเร็วเร็วไปหมดเร็ ว, ร ว, ว, วมันไม่อยู่แต่ตัวโตที่มันแค่ไรแบบนี็เรียนทาจากาถ้าพูดคุยล ะ, ะพูดคุ ย, คยนีโตมันไม่อยู่อู่แล้วนะครับพูดคุยกันมัน มันจะมารถจะได้พูทโธอยู่ได้แล้ก็ขาดไปแต่ถ้าถ้าไหนรู้ว่าผู้ใดทําอะไรไปที่มันไม่ต้องไป็ูุ้โธก็อจจะอยู่กับการละควานั้นไปอยู่กอการขึ้นมาการพูดไปแต่โอกาสที่มันจะเพื่อเกิดเจตจิตที่บางทุกข์จะดูสนใจห่างเมีโอกาสเยอะแล้วก็กลับมาสติรู้ตัวขึ้นมาก็มันมันมันจะรู้ตัวเองนะเพราะผู้ปุิติก็น่าจะรู้ว่ามันตอนแกตนแกลับมาต้มีสติแล้ว ถ้าถ้อยแล้วงแล้วการเรียนรู้ตัวเด็กเปรียงปล่อยให้มันไปนานๆนะเราจะต้องไ้เรียนรู้นะครับคือตรงตรงนี้ที่ท่านเสริมวงพูดเนี่ยดีมากเดี๋ยวท่านจะเข้าใจพอรู้ปุ๊บแล้วมันจบรู้ปุ๊บก็มันจบไปหมดนี่อย่าไม่ใช่คือว่ารู้สิ่งที่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นคือถ้ารู้อะไรแล้วมันมี สติกริยาอย่างไรทางใจของท่านต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะตระรู้ไปเรื่อยๆอรู้ต่อตระบรู้รู้ต่อตระบรู้ไปเรื่อยๆมันจะรู้แล้วบอกว่าต้องจบรู้แล้วก็ต้องจบรู้แล้วเอ๊เดี๋ยวการต้องหายไปหรือรู้แล้วต้องจบที่รู้แล้วก็ต้องไม่เป็นอะไรคือถ้ามันรู้แล้วมันมีอาการอะไรต่อขึ้นมาอีกมันคิดวงแต่งมันมีอาการอะไรต่อเพิ่มถ้าๆๆๆตัะรู้รู้รู้รู้รู้ตับตระบรู้เรื่อยไปไม่ต้องไป คาดหวังหรือให้ความหมายว่าเดี๋ยวรู้เสร็จแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปจบที่ตรงนี้ไม่คือมันเกิดอะไรซ้อนซ้อนซ้อนซ้อสบก็แบถ้าก็สักท์คำว่ารู้รู้ศัว่ารู้รู้ตัพท์คว่ารู้แน่เจอบานนั้นล่าไปรู้เรื่อยๆไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแดีวถ้าจะเข้าใจเองขอให้รู้ตกพท์คว่ารู้รู้ตกพท์คว่ารู้พอรู้คําว่ารู้ตัพรู้มันจะว่ารู้ปุ๊บทำไปจบเลยไม่ใช่รู้ปุ๊บแล้วทไปอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วรู้ก็เหมือนทํามันเออเลยอย มันคิดอะไรมันปรุงอย่างไรมีอ า, ารงงมณ์อย่างไรมันได้รนผักใสอย่างไรถ้าก็รู้ต่อไปอีกพอรู้อีกแล้วมันเกิดอะไรก็จีกถ้าก็รู้อีกรู้แล้วมันคิดปรุงแต่งต่อไปอยังไงอีกถ้าก็รู้อีกมี อ, อารมณ์อีกถ้าก็รู้ ร, assets, รู้ต่อไปรู้รู้ต่อไปรู้เรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเื่อไปเรื่อยเรืยต่อไปเรื่อยเรื่อต่อไปเรื่อยเไม่ใช่ว่าถ้าไปรู้แล้วสมบจบจบรู้ว่ามันจบจุ๊บอย่านี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ตะกดจิบคือมัเกิดอะไรขึ้นก ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะได้ไปตรจังว่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวมาถามมือแล้วเดี๋ยวก็มาถามแล้วอาจารย์ทําไมอาการมันอันนี้ไม่หายไปล่ะทําไมสภาวะอย่างนี้มันไม่หายไปล่ะทําไมพฤติกรรมทางจิตอย่างนี้มันไม่หายไปละเดี๋ยวจะมาถามมืแล้วคือถ้านพยายามสักแนะรู้จักตะวรู้บอกว่ารู้สักตะวัรู้เดี๋ยวท่านก็เข้าใจผิดก็มาถามว่าเออรู้จักตะวรู้แล้วทําไมไม่หาย รู้ต่อต่รู้แล้วทำไมมันไม่หายมันจะมาถานอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยว่าทำไมมันไม่หายรู้ต่อต่อรู้แล้วทำไมอาการเหล่านี้ไม่หายอาการเหล่านั้นไม่หายมันไม่หายหรอกครับมันหายไม่หายไม่ใช่นาที่ของเรามันจะหายก็จะเออนาที่มันก็เรื่องของเขาไม่หายก็เป็นหน้าที่ของเราหนา้าที่เรามีหน้าที่เดียวคือรู้ต่อแต่ว่ารู้ ท่านจไปคาดหมายว่ารู้แล้วมันต้องหายรู้แล้วนี่ทําไมไม่หายเอ๊ะมันมันมันต้องหายแล้วมันไม่หายหรือรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้รู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงก็คือรู้ไปรู้เรื่ไปรู้รู้รู้รู้ไปจะไคาดหมายว่ารู้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนั้นรู้แล้วอาการอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้ต้องหายไปที่มันเป็นอย่างนี้ต้องหายไปมันจะหายไม่หายไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่ของเราคือรู้ตกแต่ม่ารู้รู้ตกแต่ว่ารู้เรื่อยไปอย่างเนี้ยเพราะอาจารย์ตอบอาจารย์ที่บอกรู้สักแต่ว วันข้างมันก็ไหลได้ยังไงก็ปอดข้างมันถ้าถ้ามันไหลใช่ไหมมันไหลเราก็รู้รู้ว่ามันไหลใช่ between, discord, แต่ถ้ามีการว่ามันมีไหลมันรู้ว่ามันไหลมันรู้มั่งก็เราไปตามไปใช่มันไหลเราก็รู้มันไม่ไหลเราก็รู้ถ้ามันไหลมาไหลตามไปเราก็รู้สักต่ว่ารู้มันไม่ไหลมันมันมันไม่ไหลเราก็รู้ว่าไม่ไหลเราก็สักต่ว่ารู้ไม่ไหลกา่การจะรู้นี่คือคือถ้าไหลมาไหลก็ไหลไปแล้วมันจะรู้ใช่ครับพอมันไหลไปแล้วเราจะรู้ว่าไหลแต่เราก็รู้ เราก็รู้ว่ามันไหลไปแล้วเราก็รู้ตับตะวันรู้ว่ามันไหลแต่ถ้ามันไม่ไหลเราก็รู้ตับตะวัรู้ไม่ใช่ว่าไม่ไหลแล้วท่านดีใจมากเลยโอ้มันไม่ไหลเลยอย่างนี้ก็เท่ากับยึดถือคือถ้ามันไม่ไหลก็สับตะวันรู้ไม่ใช่ว่าโอ้โหดีมากมันไม่ไหลแล้วดีมากใช่ไหมมันไหลแล้วก็รู้ก็สับตะวัรู้เพราะว่าไหลแล้วท่านตำดีตัวเองว่าโอ้โหทำไมมันยังไหลอยู่เลยนี่ก็อย่างนี้ไลยยึดถืออีก คือมันมันไหลก็คือรู้ ส, สักตะวัรุ่เพราะว่าจักตะวัรู้เรื่อยไปอ่ะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือรู้ตักตะวะรู้มันไหลแล้วเราก็รู้ตักตะวัรู้มันไม่ไหลเราก็รู้ตักตะวะรู้มันแช่เราก็รู้ตกตะวัรู้มันไม่แช่เราก็รู้จักตะวัรู้พอไม่แช่เราบอกว่าโอ้โหดีจังอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ยึดถืออีกเพราะหน้าที่ของเราอ่ะไอ้ผลที่มันเรารู้แล้วจักตะวัรู้แล้วมันเกิดขึ้นยังไงไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือรู้ตักตะวะรู้ถ้าเรารู้ว่าเรารู้ว่าไอ้เรื่องมันต้องแช่ แต่แช่ใช่หรือก็แช่มันก็แช่มันเพราว่าเราต้องการสติที่รู้เนี่ย e know. เราไม่ต้องการแช่ไม่แช่ก่อนแช่แล้วก็คอรู้แล้วกันเรามันเริ่มมีการแช่ใช่ใช่คอยรู้เรารู้ว่ามันแช่เราต้องการตัวรู้เนี่ยเพราะนั้นเมื่อมันมีอาการแช่อยู่ให้เรารู้ก็ดีเพราเราได้รู้เพราะตัวรู้มันจะได้รู้อยู่ว่ามีการแช่อยู่คอยไ้้รู้อยู่อย่างนั้นให้ต่อเนื่องไม่ต้องไปผัดสายนัไม่ได้เลิกแช่เลยใช่ใช่ไม่ต้องไปผัดสายไวเลิกแช่นะอย่าแช่นะ แล้วดิ้นรนพยายามไม่หายแช่พอคิดว่าถ้าเลิกแช่แล้วมันจะบรรลุพระนิพพานไม่ได้รู้ตอกตะวันรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าใจเกสพรู้ตอกตะวันรู้มันต้องมันต้องบริสุทธิ์หมดจดอย่างเดียวไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นก็รู้ตอตะวันรู้รู้ตอตะวันรู้ล่มไปแล้วท่านก็จะเข้าใจเองบางคนว่าแช่แล้วนะแช่แล้วดิ้นอยู่นั่นแหละดิ้นนขูกขักขูกขักขู่ับจะทําให้มันหายแช่ไอ้ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่รู้ตอกตะวันรู้แล้วฮะมันดิ้นอีกตอนดิ้นไม่เห็นดิเห็นแต่ตอนแช่ แต่จอนดิ้นที่จะมันหายแช่เราไม่เห็นคือมันแช่แล้วมันดิ้นให้หายแช่เราก็มารู้ว่ามันมีการดิ้นล้วก็รู้ตกลมรู้มีการดิ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ซะแล้วมันก็ไม่ดิ้นคือเรายอมรับตามความเป็นจริงแบบมันแช่แล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงเราก็รู้ไว้กันเพราะเราต้องการตัวผู้รู้ต้องการสติรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้มันจะเป็นอย่างกระช่าเราก็รู้ไว้ไงรู้ไว้มันคงรู้อยู่กับที่ไว้ไม่รู้ก็เราต้องการที่รู้ ครับต like ้องการที่รู้ไม่ต no ้องการที่ผลเนี่ยบริการที่ผลท่าาจากย์คับปู่ม่านเลยที่ว่าระวังเนี่ยระวังจะติดล่าจากอารมณ์หยาบไปติดอารมณ์ละเอียดเนี่ยระวังเพราะว่าท่านดีใจมากเลยล่าจากอารมณ์ในเวลาที่เกิดขึ้นได้แล้วมันทําให้อารมณ์ีิหายไปมันไปว่างไปเบาแล้วท่านดีใจมากเลยอันนี้ท่านติดแล้วเรียกว่าล่าจากอารมณ์หยาบไปติดอารมณ์ละเอียดยิ่งหนักเข้าไปอีกปุ๋มม่านบอกระวังเลใจประจําทําละเอียดเบียดให้ไปติดเฉยแต่ที่ติดเฉยเลย ติดทละเอียดนั่นแน่ติดะเอียดนั่นเฉยไปเลยคนทุกไม่ได้ไงก็ให้รู้สับตะวัรู้ไว้ใจมันเฉยก็รู้สับตะวันรู้ใจมันไม่เฉยก็สับตะวัรู้สับตะวัรู้เราต้องการรู้สับตะวัรู้เนั้นอะไรมันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้สับตะวัรู้รู้สับตะวัรู้ล่ำไปเดี๋ยวก็ใจจะแตกความหมายก็ติดตวันรู้สับตะวัรู้แล้วต้องบริสุทแล้วต้องไม่มีอะไรเกิดเลยไม่ใช่อะไรมันเกิดก็คือรู้ต่อรู้อะไรมันเกิดต่อเนื่องกับรู้สับตะวันรู้รู้สับตะวันรู้อะไรมันเก มันรู้แล้วมันเป็นยังไงต่อไปมันเกิดอะไรต่อไปก็รู้สัตว์ตะวันรู้เราต้องการรู้สัตวตะวรู้เนี่ยเจ้าทั้งท่นสามารถยืนหยัดรู้สัตวตะวรู้ได้จริงๆไม่ต้องการผลที่จะตามมาจากที่ผลที่ท่นรู้แล้วมันเกิดอะไรตรงเนี้ยอ้าวที่ใครยกมือจันรู้รู้ดีสุดไม่เช่รู้เฉพาะสัตว์ที่รู้เฉพาะเราเหรอคะ คำว่ารู้สะท่านความคิดร right ู้สะท้านอารมณ์ก็คือรู้นั่นแหละเพราะว่ามันคิดอะไรขึ้นมาก็ต้องรู้มันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องรู้แล้วก็รู้ตัดตะวัรู้รู้อยู่เฉยถ้าสามารถมันมีความคิดอะไรก็รู้มีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็รู้ไม่ต้องบริการพุทโธแบบนี้เพราะว่ามันคิดอะไรก็รู้มันมีอารมณ์อะไรก็รู้แล้วก็รู้ตัดตะวัรู้ล้าไปอย่างนี้ไม่ต้องบริการพุทโธแล้วก็ไม่ต้องไปไปบีบประคับเขาไปต้องทำอะไรกับเขา ขณะที่เดินเดินเดินเดินแบบเดินตรงๆนี่นะแล้วก็เราก็บริการมทุกโถแต่ว่าบริการมทุกโถของเราเนี่ยจะไม่สาคัญกับทางที่เดินเพราะเราไม่ได้เอาเอาทีิที่เช้าเราจะเดินเดินที่ทุกโถที่เราเห่ใจแล้วก็ขณะที่เดินเนี่ยทุกโถเนี่ยบางครั้งก็มีมีอะไรที่ขึ้นมาเราก็รู้ว่าเออตานนันก็คิพอรู้ว่คิดเผื่อว่าเราสลับมาเดที่ทำว่าทุกโถในขณะที่เดินเนี่ยหูก็ได้ยิน เทปที่ท่านอาจารย์แล้วก็คนที่เดินผานก็รู้ว่าเป็นไทยอย่างนี้เรื่องมีสติอยูเรารู้หมดอ่ะรู้ทั้งเสียงที่เสียงที่เปิดเทปคนเดินก็รู้แล้วใจเราคิดอะไรรู้ไหมค่ะอย่างนี้เรียกว่ามีสติรู้สักข้างนอกรู้สักข้างในแล้วรู้ต่อตะวันรู้ไหมถ้าเรารู้ต่อตะวันรู้เราก็รู้แต่ก็รู้แล้วไม่จับตะันรู้มันไหลไปเราก็รู้ตอบตะันรู้อีกรู้ว่ามันไหลเราอย่างนี้เรียกว่ามีสติตลอดเวลาว่าไหลก็รู้ว่าไหล รู system, ้ใจเราไะใจเราเป็นย <wh> <it culturally> ังไงเรารู้ดีเราก็รู้ตลอดเรารู้เรื่อยไปคิดอื่นไม่ใช่โทแล้วเราพอรู้ว่ามันคิดเรื่องอื่นดูแล้วเราก็กลับมาพอรู้รู้ปเราก็กลับมาทำว่าพู้โธก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เราก็รู้ว่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้แล้วมันคิดพุทโธขึ้นมาเราก็รู้เราต้องการเราขอให้เราเข้าใจเราต้องการเราต้องการรู้ต่างกับความรู้มันคิดอย่างอื่นเราก็ยังรู้มันไม่คิดแล้วใจว่างเปล่าเราก็รู้อยู่ที่ความว่างเปล่านั้นแล้วก็รู้อยู่เฉยๆตรงนั้น อย่างนี้ก็ยังรู้ก็เรียกว่ามีสติอยู่คือพอรู้คิดปุ๊บก็กลับมาคิดพโธทุกครั้งเลยอย่างนี้ถูกต้องไหมไอ้นั้นมันอยู่ระหว่างขั้นสุดตอนแรกคือพวกที่ยังยังไหลไปไหลมาแล้วไม่เห็นความคิดในอารมณ์พอมันคิดปุ๊บแล้วก็พอรู้ตตายแล้วก็กลับมาคิดพุโธพุทโธไว้แล้วก็เห็ความคิดพอเราเห็นมันหมดทุกหน้าแล้วเราก็รู้ยืนหยัดไวที่รู้สักเรารู้เลยมันคิดอะไรึ้นมาก็รู้แต่ในขณะที่เราคิดพุโธเนี่ยแล้วเราก็เห็นความคิดอื่นๆเห็นอารมณ์อื่นเห็นอาการอื่นเรา แต่เราคิดพุทโธเป็นหลักไว้อ่านหนึ่งล้วก็เราก็เห็นหมดทุกอ่านเลยแต่ถ้าเราเห็นหมดทุกหมดทุกหน้าแล้วเมื่อไหลก็รู้มันมีอาการอะไรก็รู้รู้ตอบตัวรู้อย่างนี้ไม่ต้องคิดพุทโธวางพุทโธไปแล้วก็รู้ตอบต่วรู้เรื่อยไปขณะที่เราเดินอย่นี้แล้วพอเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาสนใจว่าเราพุทโธหร้อพุทโธรู้ที่วางที่ที่เรากำลังคิดอยู่ในขณะนั้นใช่ไหมค รู้อยู่รู้อยู่ว่าเรากำลังคิดอะไรครับครับครับจะอย่ายงนั้นได้ก็อย่างนั้นเลยใจว่าจะต้องเดินกับมาหาพุทโธไม่ต้องครับไม่ต้องครับจากจากถ้าเราสา ม, มารถเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ขาดตอนไม่ขาดว่าขาดตอนนี้างนีน้ให้รู้อยู่เฉยเลยไม่ต้องบริกรรมพุโทโธขึ้นมามันดับไปแล้ ว, วาาก็จะมายู่พุโทโธหรือว่าอะไรนะไม่ใช่ครับพอความคิดมันดับไปหมดนะาเราก็ไม่จำเปคือไม่ได้คิดพุทโธไปแล้วยังไหมใช่ดูตามดูความคิดไปเรื่อยใช่ไหม พอความคิดมันดับไปหมดสักก็รู้อยู่ตรงที่ความคิดดับไปเนี่คือความคิดมันหายไปหมดหรือแต่ความว่างเปล่าก็รู้อยู่ตรงที่ความว่างเปล่าที่มันไม่คิดอะไรนะ่นพอมันคิดขึ้นมาใหม่ก็รู้ก็รู้ความคิดใหม่เรื่อยไปพอมันไม่คิดแล้วก็รู้ว่ารู้ตรงที่ไม่คิดนั่นแหละรู้ที่ตรงไม่คิดไม่ใช่ว่าเราเพื่อใ้บริกรรมพุทโธมาแต่แรกเรารู้ความคิดอยู่พอมันไม่คิดเราเลยมั่ววรู้จะทําอะไรเราเลยคิดพุทโธขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่คือเรารู้ความคิดไปพอมันไม่คิดใจมันอยู่ที่เฉยเราก็รู้ตรงที่ใจอยู่ที่เฉยนนั้ ไม่ไม่ไม่แกไม่ไการแช่มันแช้ก็รู้ว่าแช่รู้หมดแหะอะไรมันเป็นอยู่ตรงนั้นก็รู้ไม่ต้องกลัวมันมันกลัวปุบก็รู้ตรงที่กลัวมันวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรก็รู้ตรงวิตกกังวลรปไล่เลื่อนไไล่เลื่อนครับไล่อันปัจจุบันเขาจึงบอกว่าปัจจุบันนั่ะเป็นธรรมถ้าเราไล่ในฐานะปัจจุบันมันไม่ใช่ธรรมอ่ะมันอดีตเรามัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับอดีต อาการอดีตที่จบไปแล้วแต่เราไม่ไล่อันปัจจุบันเราไม่ทานอันปัจจุบันอยู่ล่ามไปเราไปไปมัวแต่มัวกับอดีตอันที่เป็นอดีตอย่างนี้เรียกว่าทําเมาไปยุ่งวุ่นวายกับอนาคตกังวลกับอนาคตว่ารู้แล้วเดี๋ยวมันธรรไม่จบเดี๋ยวต้องจบสิทํามันเยอะเดี๋ยวต้องเป็นอย่างนี้อีกไปกังวลกับอนาคตอย่างนี้ก็ทําเมาหลวงปูแหวนว่าอดีตก็ทำเมาอนาคตก็ทําเมาต้องไล่อันปัจจุบันไล่อันปัจจุบันถึงจะเป็นธรรมะ งงว่ะเนี่ยทำหน้าตางงๆท่านเพื่ออธิบายเพิ่มอนเดกยังทำหน้าต า, ง ง, า, ง, า, ตางงๆู่คือถ้าถา้ถ้าไหนเข้าใจแล้วก็จบเลยนะครับอย่าพยายามไปคิดว่าเออมันจะเป็นยังไงคือมีแค่ปัจจุบันเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นกับตัวเราคือมันจะมีทั้งอ่ความคิดแล้วก็ความรู้สึกเอา ง, ง่ายๆและการที่ที่มันเป็นที่เป็นนามธรรมมันสมมุติกันยากเพราะว่าลมแอร์มันม เ, ญญญมเย็นขึ้นมาเนี่ยก็รู้รู้มาเหียนจบ แต่ถ้าเกดว่าแอันเยนแล้วมนหนาวจริงเนี่ยก็คิดขึ้นมาแล้วรพวนี้ก็รู้ก็ตรงนี้คัเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมีความคิดคือความคิดเกิดขึ้นมาก็รู้คิดคิดโน่นคิดนี่คิดจุ๊บ๊กแล้วก็รู้มีความคิดเกิดขึ้นมารู้รู้ไว้ตรงนี้แล้วที่ที่ทิเดกสนวเสรแล้วมันไม่แค่ในคิดคิดแล้วว่เสร็จแล้วมันไม่แค่คิดคิดรู้ว่าตรงนี้มันคิด คือคือรู้วากลักงชิดแบบเสร็จแล้วมันไม่แช่เลยนี่คือชิดมึงชิดพี่มาแล้วแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปิดปกติหรือ ว, ว่าเราปฏิบัติไม่ถูกคืเนี่เราปฏิบัติได้เรารู้อย่างเรารู้รู้จิตเราอ่านตัวเองได้ตลอเดเวลาแต่ระวังว่าอย่าพยายามที่จะไปแบบเพ่งแบบคิดอะไรทำอะไรตลอดมันจะมันจะเกิดอาการผิดปกตินะครับก็คือให้มันเป็นธรรมชาติรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ทํานจริงก็ก็เผือ่อใครจะเป็นจะบ้างก็รู้นะ คือมันก็ต้องต้องปรับนิดหนึ่งเวลาถ้าเพ่งมากไป ม, มันก็จะเกิดอาการตื้น ๆ, ๆแต่ถ้าหลายไปบางมายก็คืออันนี้ก็รู้แล้วว่าขาดสมาธิไป น, น า, าทีสองสามนาทีพวกนั้นนะฮะเนื่ามันมันไม่มีแตไร่ากแต่ที่มันยากคือมันมันไม่ต่อเ น, นื่องนะฮะคือมันจะถูกดูดไปตามความเคยตัวเคยใจเคยชอบคิดก็ ค, คิดไปหรือว่ามันจะถูกดูดไปตามสิ่งที่มันกระตท้นตามหู เราก็ถามกินแต่พวกนี้มันรังเกียจอยู่บางคนจะมีจุดร้อนเหมือนในก็เาห็นดูหนังตัวละครตัวอะไรตัวอะไรหรือเวลานี้จะต้องดูทีวีแล้วก็บางคนกจะเห็นป๊อกเทีวีสั่งดูเพว่มอะไรเนี้ยมันจะไปเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ดีเอ่อนั่งอยู่แล้วหรอะไรก็ได้ไปรู้ตรงนั้นคือไม่ไม่มีไม่มีอะไรยาผมอกมันไม่มีอะไรยากคืออย่าไปทำอะไรทันซ้ำซทอถ้าซ้ำซ้อนไม่ท่านจะวุ่นวายอความคิดปฏิบัติยังไงไอ้ทีใช่ไม่ใช่ไอ้เหลววันที่ทํอยางี้บเพืาไม่ลงตัวด้วยดี มันต้องเชื่อมั่นแบบจากข่าวตรงนี้ชค่นี้เขาให้ทำแค่นี้รู้มันจะรู้ผิดรู้ถูกรู้อะไรก็ทํำไปหอดรู้ไปตรงตรงอย่างเงี้ยว่าเขาตอนนี้ฉันนำลังไหม่วอย่างนี้จะรู้ตอนนี้แค่กลังม่วย่ี้รู้ตอนนี้มันอาการอดใจไปหมดแล้วก็รู้มันมีอาการแบบนี้อยู่กานทํำทำไมที่ว่าไม่ค้นไม่คิดค้นหาครับทาปีตรงไหนแต่แก้อย่างไรอะไรพวกนี้ยมันก็ต้องมีนะก็รู้ไปตรงนั้นมันร้อนทั้งร้อยนะฝึกเอาฝึกไปแล้วเกิดปวดหัวเครียดปวด ตึาลงไปทั้งมันก็จะรู้วิธีการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถ้ารู้มันจะเหยื่อได้เนี่ยละใช่ไหมครับบางคนตึงหลังหมาแล้วล่ะทำไมมันสุกผิดแน่เลยต้องทำอะไรที่นี่มันไปมันไม่รู้ท่าไรเท่าไรมันไม่รู้กับการแก้อาการแล้วเวลาจะแก้ไขมันไม่รู้มันก็รู้ลงไปแต่ถ้านคิดจะแก้ไขท่านก็รู้มงไปตรงนั้นที่ที่ที่มันหยุดภาดการหรือว่าหรือว่ามันไม่ตอบได้หรือว่าเวลาเกิดอาการที่มาที่ไม่พอใจท่านก็พยายามจัดการออกมาแล้วไม่รู้ หรือพออ้ตัวนี้มันหายไปแล้วเนี่ยก็โอ้โหดีมากเราจะยิ่งโล่งโปร่บาลืล่เรื่องไมชอบแล้วชอบมาแล้วแต่ก็รื้แต่ก็เป็นธรรมดาตัวนก็ผมก็ชอบแต่บาบวั น, นหนึ่งใครก็ชอบแต่ก็รู้ตัวขึ้นมาล้วงเพิ่มเราชอบนะจุตรง น, นั้นไม่ใช่ว่าทํายังไงนะอ๋อต่อไปไอ้ที่จิดจะไม่จิตล้วเดี๋ยวต่อไปไอ้นี่ถูกแล้วรักษารไวเสร็ตมันจะกลายเป็นอวกาวะเหมือนเครื่องวัดก็เอาที่ทําถูกต้องเบาจาไม่ถูกแต่หนักอะไรมันจะวุ่นวายอยูสูงไม่ดอยู่นั่ะ รู้ไปตรงนั้นเลยนะฮะจะผิดจะถูกเนี่ยเรานี้ที่รู้นี่ครับอนตัวตัวนี้เขแสดงอาการออกมาไงการกับจิตเนี่ยแต่ตัวรู้มันมันมันไม่เกี่ยวกันผู้รู้นี่คือทำแต่รู้อย่างเดียวรู้ทุกอย่างงั้นการเจริญของครูชาถ้าใครท่านเวลาท่านนั่งมีคนเดินไปมาท่านก็สังเกตผมก็สังเกตท่านที่สมัยถ้านละหันเหมือนคนธรรมดาเลยไม่เห็นที่ใดแปลกแตกต่างหรือถ้าเป็นธรรมชาตินั่งเลยแต่ถามเรียนจากท่านอาจารย์ท่านพรท่านอาจารย์ไปนวด หลวปู่แล้วก็ก็อยู่ตั้นานเนาะจัตรวจตนอะไไม่ไ ด, าา ด, ด้แต่ว่าหลาาวงปู่ท่ทานมีอาการทางกายท่านถ้ามีปฏิยาบมันค่อนธรรมดาเลยแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปยึดกับอะไรคือผมเป็นข้อตากองมันมันอยู่ที่ที่ใจอะไรที่มีปวดมีอะไรของท่านมีอาการหน้าขาวเยือยยแต่ท่านไม่ได้ไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปให้ท่าต่อความปวดความเจ็บตรงนั้นเลยแค่รู้มันมาอยู่เป็นธรรมชาเป็นตรรมทางของท่านเนี่ยะ วันนี้ถ้าถ้าเกิดว่าทํามาก็จะดีๆแ จ, จะช่วยได้มากเวลาเราเกิดปัญหาใจขึ้นมาหรือเวลาเราดีอะไรมากๆเนี่ยจะเห่อไปยึดว่าโอกทำถูกทำถูกทำถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตัวเนี้ยก็จะติดแต่รู้ขึ้นมาเ ม, มื่หร่ก็เป็นยินสติขึ้นมานั้นรู้รู้อยู่นั้นเลยนะครับอาจารย์ท่านไม่ต้องแก้ไขอะไรทพิ่มขึ้นรู้รู้ปัจจุบันรู้ตรงๆครูท้ารู้ซืออ่อๆรู้ซื่อๆก็คือรู้เฉยๆรู้อรอย่างเนี้ยรู้ไปตรงๆแล้วแล้วมัน มันยังง่ายมันยากยาก่ยาวย่าว์หรือว่ามันมาไม่ต่อเนอื่องแค่นั้น